อารมณ์แรงก็รู้สึกตัวค่ะแต่ว่ามันไม่หายมันต้องช่วยมันเหมือนใช้ความคิดช่วยอะคะ่ะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่าหรือว่าพูดว่าคิดอะคะ่ะคิดว่าเอ้ยมันเป็นกรรมของเขาปล่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวนี้มาช่วยถึงจะได้ถึงจะหายไปอะคะ่ะอืก็เลยสงสัยว่าไอ้ ต, ตัวตัวการหายไปของของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องฝึกมา ก, มากๆใช่ไหมคะถึง จนกระทั่งความคิดไม่ต้องมาช่วยใช่ไหมคะจริงจริงๆ ร, ง, รงเรงินไขเข้ามาในตรงจุดนี้จริงๆเราเรามันคิดที่ว่ามันมันแรงๆน่ะเราอยากให้มันหายมันจึงมีความพยายามอยากพยายามในใจการความพยายามในใจที่อยากให้มันหายนี่แหละมันก็ยังมันกำลังมีความพยายามอารมณ์อยู่มันเลยต้องพยายามใช้ความคิดเข้าไปช่วยใช้อะไรเข้าไปช่วย แต่ถ้ามันเป็นการที่ถ้าเป็นจิตที่ยอมรับจริงๆนะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอ้ความอยากนั้นไอ้ความคิดอันนั้นน่ะจะหายเร็วหรือหายช้าได้ทั้งนั้นแหละแต่ใจฉันน่ะใจตัวเองใจเราเองปุ๊บ ม, มันจะรู้เฉยๆว่ามันจะกลับไปรู้เฉยๆว่าเอาดูซิมันจะทุกข์สักเท่าไหร่มันจะสุขสักเท่าไหร่เพื่อมันต้องการเปิดโอกาสให้จิตนะได้เรียนรู้ความทุกข์อันนี้ได้เต็มที่แล้วต่อไปใ<อ>ันรู้ตัวเองมัน อีกอันหนึ่งที่ว่าเราพอเราปฏิเสธเราจะมีความพยายามในใจอ่ะความพยายามในใจที่จะเป็นมันยังไม่ยอมรับมันให้นึกสังเกตอย่างนี้สิเราก็เห็นกราฟที่มันขึ้นขึ้นลงลขึ้นขลงลงไหมกราฟสูงสูงต่ำเห็นไหมแล้วมันจะมีกราฟเส้นหนึ่งที่มันวิ่งตรงตรงอ่ะเส้นที่วิ่งตรงเป็นตัววัดอ่ะเป็นกราฟตรงเป็นตัววัดอะเห็นฐานที่มันตรงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ไอตัวรู้สึก ก็จะทําหน้าที่รู้ของเขาแต่อ้ขึ้นลงขึ้นลงอารมณ์ที่มันขึ้นลงที่มันมีความหมายบ้างไปมีความหมายม้างนั่นเป็นบัวอารมณ์นะแต่ตัวรู้คืออารมณ์ที่กราลังติดอยู่อ๋อค่ะตัวจริงๆอ่ะคือตรู้แบบนั้นอนะมารู้เรารู้แค่นั้นนอะพอแล้วที่มันเรองความยุ่ากกจัดมันเร็วอันนี้นะมันทําให้จิตทํางานอ๋อค <Okay. S 2> ่ะก็คือ เ, เราก็แค่รู้ไปใช่ถ้าหมายจิตมันเป็นร่วงนะ ลองดูมันสิว่าเมื่อไหร่มันจะหายโดยไม่ได้ปฏิเสธมันน่ะแล้วเราทําอะไรแล้วก็ทําเราไปเช่นเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ทำไปด้วยทั้งที่ที่อันนั้นมันยังอยู่ด้วยนั่นแหละไม่ได้มีความคิดที่จะไล่เขาหรือความคิดที่แทรกแซงเขาแต่ปล่อยให้เขาเดินดําเนินเรื่องเข้าไปตามเรื่องเขาแต่แต่ตัวเราใจเราเองที่แยกออกมาแล้วน่ะมันก็กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็อยู่กับกิจกรรมภายนอกที่มันมีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละกาลังเดินอยู่ก็เดินไปไม่เป็นไรกำลัง กำลังกินข้าวอยู่หรือกาลังสัมผัสอยู่อะไรอยู่ก็ก็รับรู้ร่างกายไปเรื่อยๆพร้อมๆกับ อ, อ, อารมณ์ที่ยังมีอยู่ด้วยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปทำอะไรกับมันเพ<ต>ียงจะเป็นคุณดูเฉยๆดูเฉยๆแ ต, แ, ตแต่ตอนนี้จิตมันยังมีความรู้สึกว่าจิตของคุณปุนะยังเป็นจิตที่ยังมีการทำอยู่มากอยู่พูดง่ายๆ ย, ยังมีการทำอยู่มากอยู่เรา น, นะต่อไปเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เาวางอยู่นะเดียวยังมีสเตปอยู่อย่างหนึ่งคือคือยังพยายามจะทําให้รู้อยู่อ่ะยังยังไม่ค่อยปล่อยให้มันรู้แบบชาวบ้าชาติเท่าไหร่ยังมีความพยายามอยู่ลึกๆที่ต้องการจะรู้อยู่นิดๆอยู่เพราะว่าพอเราสร้างกิจกรรมขึ้นมาปุ๊บอ่ะไอ้การไอ้อ้กิจกรรมที่เราสาร้างขึ้นมาปุ๊บมันจะทําให้แกวมีควมันใจดีกว่าดีกรอบที่จะรู้สังเกตไหม ถ้เก okay, ด, ด, ดูอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราตั้งใจจะตั้งใจจะเดินถึงนบันไดแล้วรู้สึกแต่ไอไอไอตัวที่กระบวนการที่มาจากการฝึกแบบเนี้ยแล้วมันมีความความตั้งใจอยู่เล็กๆอยู่นี่นะั้นดีนะที่ไม่ดีแต่ว่าบางช่วงเนี่ยไอความตั้งใจอันนี้ก็เหมือนกันเวลาวันเจริญอารมณ์ความคิดเนี่ยเวลาเจริญอารมณ์ความคิดที่เราว่าที่ว่าไอความคิดอันนี้ทํำไมมันแรงๆเนี่ยมันได้หายสักทีเนี่ยมันก็จะมีการตั้งใจเล็กๆ ก, ก, กันแหละ ตั้งใจจะกําจัดมันอีก ม, มันมีอันนี้ส่งส่งต่อมาถึงไอ้ตัวเนี้ยที่ตั้งใจจะกําจัดมันคิดก็ไป แ, แรทรกแซงอตนี่บอกยันเตมตา ก, กับเขาอันนี้เป็นความคิดปลอบใจเฉยๆแต่ถ้าเป็นให้ตัวรู้จริงๆนะเรียนรู้ลงไปตรงๆหรือว่ามันทุกอะไรหนักหนามันจิตอะไรหนักหนา ต, ต้องต้องการให้มันหายเร็วไหลช้าจะลองศึกษาตรงเลย ว่มันจะเป็นอะไรปล่อยเป็นแต่ฉันจะดูมันการดูดูบนเงื่อนไขที่ว่าเราก็มีปัจจุบันเราไปด้วยพร้อมๆกับอารมณ์เกิดขึ้นไปด้วยเออแต่ว่าถ้าดูแล้วดูแล้วลืมปัจจุบันไปเลยเนี่ยลืมปัจจุบันไปเลยเนี่ยต้องช่วยช่วยในการอยู่กับปัจจุบันที่กาลังปั่นอยู่รับเพื่อเป็นตัวจุช่วยช่วยกระตุ้นมันลักษณะเดียวกันเวลามันมีอารมณ์พนั้นเกิดขึ้นมาปั๊บ อย่าพยายามใช้ความคิดไปจัดการมันใช้การรู้เรียนรู้แบบธรรมชาติเข้าไปศึกษามันเลย<ฆ>เอจกัพวกนี้แหละใช้การรู้แบบอย่าไปรังเกียจมันหรืออย่าไปคิดที่จะกับจัดมันแต่ใช้การรู้แบบธรรมชาติอะอารมณ์ที่มันติดเี่ยใช้การรู้แบบธรรมชาติแล้วเข้าไปเรียนรู้มันเลยเรียนรู้มันเลยเพราะว่าเราก็จะมีกําลังตัวนี้ยังดีพออยู่แล้ว<ฆ>นอกจากว่ามันหนักเกินไปแล้วมัน รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันนานเกินไปมันหนักเกินไปหรือมันเผลอหรือ ม, มันเผลอจนลื ม, มเกินไปอันนี้ต้องช่วยหน่อยต้องช่วยหน่อยแต่การช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยใช้ความคิดสั่งสอนมันหรอกแต่ช่วยแค่กลับมารู้สึกอยู่กับในฐานกายที่กลังมีอะไรยอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเพราะกายไม่เคยอาการที่เกิดกับกายไม่เคยหนีไปไหนไมีอยู่เรื่อยๆก็ <c oughs> จะลืมเขาหรือเปล่า ยันให้สังเกตเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่ยาวๆแล้วมีความหมายกับเราให้สังเกตด้วยยังรู้กายอยู่ไหมถ้ายังรู้กายอยู่ยังรู้ปัจจุบันอยู่ปล่อยเอยงเขาเล ย, ยอในเวลาเดียวกันที่มันกําลังมีความคิดอยูอ่อย่างเช่นกรณีที่เราชอบเวลาคุยกับเพื่อนแล้วชอบลืมใช่ไหมค่ะทีนี้เวลาเราลืมมันสังเกตไหมว่าเวลาคุยกับเพื่อนน่ะ มันมีการสังเกตแล้วมันมันมีการแบ่งมาสังเกตร่างกายอยู่ไหมคุยกับเพื่อนไปด้วยแล้วมีการสังเกตกายอยู่ไหมว่ากายกําลังทําอะไรอยู่กายกําลังรู้สึกอะไรอยู่ด้วยไหมถ้ามันพยายามรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยพร้อมๆกับการคุยไปด้วยนั่นแสดงว่าตัวรู้สึกตัวเราอะเริ่มที่จะมีกําลังในการที่จะไม่หลงไปเข้าไปเข้าไปกับการคิดทั้งหมด